เช่นใครที่ทากิจเช่นยกตัวอย่างว่าเป็นสารเนี่ยนะคนที่เป็นสารเป็นคนที่คอยตัดสินอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าตัดสินใจด้วยลำเอียงประเภทฉันทาคติจะเป็นยังไง ล, ลำเอียงด้วยฉันทาคติก็จะถือว่าฝ่ายเราไม่ผิดใช่ั้ยถ้าลำเอียงด้วยโทสาคติฝ่ายเขาผิดส่วนเดียวถ้าโมหคติก็ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะยุ่งเหยิงไปหมดยิ่งแก้ยิ่งพัน ถ้าลําเอียงด้วยความกลัวฉันใดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายโดยมากทําอะไรทุกอย่างไม่เข้าอันใดก็อันหนึ่งทําอย่างหนึ่งบางทีที่ทําไปก็เพราะความชอบบางทีก็ทําไปเพราะความกโกรธบางทีก็ทําไปเพราะความโง่บางทีก็ทําไปเพราะความกลัวพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยนะถ้ามาแบ่งๆ แ, แล้วเนี่ยมันมีอยู่4ี่กลุ่มอันนี้พูดถึงฝ่ายเศร้าหมองนะัมีอยู่สี่กลุ่ม กลุ่มหนึ่งทําด้วยความชอบความหลงความติดใจที่ทําทุกอย่างเพราะความชอบอีกกลุ่มหนึ่งที่ทําอยู่ทุกวันก็เพราะความโกรธเพราะความเครียดแค้นเพราะความโกรธและความชิงชังอีกพวกหนึ่งทําไปเพราะความโง่ความเคล้าวก็ให้ทําก็ทำไปไม่รู้จะทําไปทําไมอีกพวกหนึ่งก็ทําด้วยความหวาดความกลัวความระแวงความหวาดเสียวความขนพองสยองกล้าวเป็นต้นมันก็มีอยู่สุ่มสกลุ่มเหล่านี้ในการใช้ชีวิต ชีวิตของคนเนี่ยนะชีวิตของคนทั่วๆไปเนี่ยมาสรุปสรุปแล้วจะดูว่าเข้าไปด้วยความโคต4ประการหนึ่งชอบสองชังสมโง่สี่กลัวเนี่ยนะก็4ประการเนี่ยไม่อันใดก็อันหนึ่งถามดูเถอะเวลาเราจะไปไหนสักแห่งจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งบางครั้งเราทำเพราะความชอบบางครั้งเราทำเพราะความโกรธบางครั้งก็ทำเพราะความโง่ไม่รู้ทำไปทำไมแต่ว่ามันก็ทำทำไปงั้นแหละว่า ง, งั้น และอีกสุดท้ายก็ทำเพราะความกลัวภิกษสูทั้งหลายสอย่างเหล่านี้แหลเป็นการถึงอคติพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้ไว้พระสุคตาศาสดาครั้นตรัสคำนี้แล้วได้ตรัสคาถาประพันธ์อื่นต่อไปอีกว่าบุคคลใดย่อมประพฤติล่วงธรำเพราะความรักเพราะความโกรธเพราะความกลัวเพราะความหลงยศของบุคคลนั้นย่อมเสื่อมไปเหมือนพระจันทร์ข้างแรมเช่นั้น คนใดที่ร่วงเลยธรรมล่วงเลยอริยธรรมร่วงเลยศีลร่วงเลยสมถวิปัสนาร่วงเลยศีลร่วงเลยสมาธิล่วงเลยปัญญาผู้ที่ร่วงเลยศีลสมาธิป <Cage Death> ัญญาด้วยอำนาจความรักด้วยอำนาจความโกรธด้วยอำนาจความกลัวความลุ่มหลงถ้าเป็นลักษณะแบบอะไรนะเป็นผู้ผู้ผู้ใหญ่หน่อยเป็นผู้ปกครองเป็นผู้ดูแลถ้ามัวแต่ด้วยติดใจด้วยอำนาจความรักหรือโกรธชังด้วยอำนาจความโกรธกลัว แล้วก็ลุ่มหลงบุคคลเหล่านั้นย่อมเสื่อมจากบริวารเนี่ยนะในที่สุดก็ไม่มีบริวารเนี่ยนะตอนแรกก็มีคนห้อมล้อมมีบริวารมีพรรคพวกมากมายนานไปนานไปก็เหลือแต่ตัวคนเดียวเนี่ยนะไอเหลือแต่ตัวคนเดียวแบบไม่อยากให้เหลือนี่สิหมายก็ว่าอะไรนะขอร้องให้คนนั้นมาก็แล้วไปอ้อนวอนคนนี้ก็แล้วแต่ในที่สุดก็ คล้ายๆกับถูกขังเดียวนะไม่มีใครมาเยี่ยมมาเยือนอะไ ร, รอเลยก็คนที่ถูกขังเดียวทั้งหลายเนี่ยก็เหตุผลก็เพราะนี่แหละประเภทลําเอียงเพราะความรักความโกรธความกลัวและความลุ่มหลงหรือไม่บางทีก็เสื่อมจากชื่อเสียงนะก็เสื่อมถูกเขาโกนถูกเขาด่าไปพวนี้ก็เสื่อมลงเสื่อมลงเหมือนอะไรเหมือนพระจันทร์ข้างแรมฉะนั้นชีวิตก็เดินไปสู่ความอับเฉาเขบอกว่าพระจันทร์ข้างแรมนี่นะวัน ขึ้นแ ร, แรม1น่งค่ำทางแรมหนึ่งค่ำดวงจันทร์นี่ก็ดูเหมือนเต็มดวงแต่ว่าพร่องไปนิดหนึ่งนะสองค่าก็พร่องไปหน่อยหนึ่งสค่าก็ค่อยลดลงความสว่างลดลงลดลงถึง14บ่ค่ำนี่แทบจะไม่เหลือดวงเดือนอยู่แล้วนะมอดสนิทเลยนะแรม15คห้าก็ถือว่ามืดสนิทแล้วชันใดก็ดีผู้ที่ใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ด้วยอัคติทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยนะครั เพราะนั้นบางคนเนี่ยทำอะไรเพราะความรักเกินไปก็เสียหายโกรธทำเพราะความเกลียดความชิงชังก็เสียหายทำเพราะความโง่เง่าเนี่ยนะโง่เง่าก็เสียหายทำเพราะความกลัวรวมทั้งหวาดระแวงเป็นต้นก็สร้างความเสียหายพานจะต้องประพฤติในสิ่งที่ตรงกันข้ามจึงไม่นำมาเส้นความเสียหายผลของความรักผลของความโกรธผลของความโง่ Blue ผลของความกลัวเนี่ยทะลักออกมายังไงทะลักออกมาด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจบางคนทําชั่วด้วยกายวาจาใจเพราะความรักบางคนทําความชั่วด้วยกายวาจาใจเพราะความโกรธบางคนทําความชั่วด้วยกายวาจาใจเพราะความโง่บางคนทําความชั่วด้วยกายวาจาใจเพราะความกลัวพระสูตรนี้สอนให้เรารู้อะไรสอนให้รู้ทุจริตสังกิเลสความเศร้าหมองด้วย ทุจริตทั้งหลายความเศร้าหมองทางกายวาจาและใจในสุตรที่สองที่ที่เป็นตัวอย่างนะนะส่วนนักสั ง, สงเลตมีสามอย่างตันหาทุจริตและิทฐิตรงนี้ก็ยังยกอยู่ในกลุ่มทุจริตอยู่คาถาที่พระองค์ตรัสไว้ในคาถาธรรมบทเรื่องพระพอะไร พระจักขุบาลเทระมโนปุปพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยามนาสาเจปุทุเถนะาสติวา ก, ก, โ, รกโรติวาตะโ ต, โตทุกขมันเวติจักกังวะวะปะโตะนะปะโตก็คือทำทั้งหลายมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่สำเร็จแล้วด้วยใจถ้าหากว่าคนมีใจชั่วเวลาพูดเวลาทำก็ทำชั่วเวลาพูดก็พูดชั่ว ถ้าทำชั่วแบบนั้นแล้วความทุกข์ก็ย่อมติดตามบุคคลนั้นไปเพราะความชั่วสามอย่างดุดล้อเวียนหมุนไปตามรอยเท้าโคที่เทียมแอกไปฉะนั้นหมายคำ ว, ว่าทําทั้งหลายทําทั้งหลายคืออะไรความ เ, เจตสิกนะตรงนี้บอกเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมีใจเป็นหัวหน้ามีใจเป็นใหญ่ มีใจเป็นอธิบดีสาเร็จแล้วแต่ใจสรุปว่าในโลกนี้ขณะเกิดคือแม้กระทั่งชีวิตที่เรายืนเดินนั่งนอนเนี่ยถือว่าใจนี่ใหญ่ที่สุดใจนี่เป็นอธิบดีใจนี่เกิดร่วมใจนี่เป็นหัวหน้าใจนี่เป็นประธานใจนี่เป็นจิตตาธิบดีขณะเดียวกันสิ่งที่เราทำการดำเนินชีวิตของเราก็เป็นไปตามใจที่ปรารถนา เราเราจะพูดไม่ได้ว่าสิ่งที่เรากาลังทำอยู่นี้ไม่ใช่เป็นผลของความปรารถนาที่เราตั้งเอาไว้เพราะสิ่งที่ทำคำที่พูดความรู้สึกนึกคิดที่เป็นไปในชีวิตเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เกิดจากใจเหล่านั้นปรารถนาเอาไว้แล้วเพราะใจนี้เป็นหัวหน้าเป็นประธานนะแล้วก็เป็นใหญ่ทุกอย่างสำเร็จมาจากใจกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมเนี่ยสิ่งที่เราทาก็เป็นผลของการตั้งใจไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะ ทีนี้ถ้าหากว่าใจเลวๆ เ, เข้าใจถูกโทษพิษภัยประทุษร้ายใจที่ถูกความโกรธประทุษร้ายใจที่ถูกความโลภประทุษร้ายใจที่ถูกความหลงประทุษร้ายหรือใจที่ถูกมิจฉาทิถิประทุษร้ายตัวใจนี้ท่านบอกว่าเปรียบเหมือนกับน้ำไอไอทุจริตกรรมทั้งหลายก็เปรียบเหมือนกับยาพิษที่ใส่ลงไปในน้า ชันใดก็ดีความโลภเหมือนยาพิษความโกรธเหมือนยาพิษความหลงเหมือนกับยาพิษที่หยอดลงไปในน้ําทีนี้ถ้าใครที่ดื่มยาพิษเหล่านั้นเข้าไปในท้องนะี่อะไรจะเกิดขึ้นนะเด่มยาพิษแล้วก็ทะลักออกมาทางคําพูดใช่ไหมเหมือนกับอาเจียนหรือว่าดิ้นรนกระวนกวายฉันใดใจที่ถูกความโลภครอบงําใจที่ถูกความโกรธครอบงําใจที่ถูกมิจฉาทิฐิครอบงําเวลาทะลักออกมาทาง วาจาในที่สุดก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคําหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อการกระทําในที่สุดผลของความโลภผลของความโกรธและผลของมิจฉาทิฏฐิก็ไหลไปสู่การฆ่าการขโมย น, นะการช่อการโกงการคดการทําทุจริตต่างๆตลอดจนถึงในที่สุดก็นําไปสู่การเมสูมิจฉาจาร น, นะนะทั้น ใจที่ถูกความโลภครอบงำใจที่ถูกความโกรธครอบงำใจที่ถูกมิจฉาทิฐิครอบงำถ้าทลักออกมาทางวาจาก็พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อไรประโยชน์กระทำก็ทำแต่การฆ่าสัตว์ลักทรัพย์แล้วก็ประพฤติผิดในกาลความชั่วสามอย่างที่เขาสมาทานแล้วอะไรตามมาถ้าทำชั่วด้วยกายวาจาใจความทุกข์ก็จะตามมา ขณะที่ทําชั่วนี่ถามว่าเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ขณะที่ทําชั่วก็เป็นความทุกข์เพราะเป็นความเร่าร้อนที่เกิดจากบาปและอกุศลทุก์ทั้งชีวิตในขณะที่ทําชั่วก็ทุกข์แล้วก็ตามแก้ความชั่วที่ตัวเองทําไว้ก็เป็นทุกข์แล้วก็ถามว่าทุกข์เฉพาะชาตินี้เท่านั้นหรื อ, อยังมีทุกข์ชาติต่ อ, ต, อต่อไปอีกกี่ชาติละเพราะนั้นความทุกข์จะติดตามเข้าไป ทุกที่เกิดจากกรรมทุกที่เกิดจากกิเลสทุกที่เกิดจากวิบากทุกในอบายทุกคติวินิบาตนรกเป็นต้นก็ติดตามเข้าไปเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนล้อกเกวียนที่หมุนไปตามรอยเท้าโคฉะนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งอนะไปที่เมืองพารณาณสีมันมีเอกโคตัวหนึ่งนะโค อ, อ้วนอ้วนพอสมควรนะตัวเดียวมันลากมันลากไอ้กระสอบปาน มาดูแล้วไม่ต่ำกว่า20กระสอบปานไอ้กระสอบปะมันใหญ่มากเลยมันสูงแบบคล้ายๆกับว่าเอาตู้คอนเทนเนอร์นะหนึ่งตู้แล้วให้วัวตัวเดียวลากอะ่ะโอ้ยแล้วก็เห็นมันลากเดินในล้อมล้อมก็มุนไปนะเรียกว่าจริงๆโคตัวนั้นก็ตัวใหญ่อ่ะนะแต่ว่าพอไปลากของที่มันใหญ่แบบนั้นเข้าก็เลยกลายเป็นตัวนี้เดียวเนี่ยนะ อตอนที่ไปอินเดียครั้งแรกเนี่ยจะเห็นเห็นวัวมันลากนะเพราะบางคนเนี่ย อ, อินเดียนี่บางกลุ่มเขาไม่ฆ่าวัวก็จริงแต่ว่าใช้งานวัวอย่างโหดเทียมมากเนี่ยนะทั้งเขียนทั้งตีทั้งโบยเนี่ยนะับางแห่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วก็ให้วัวเนี่ยมันลากลากเกวียนลากถ้าเป็นบ้านเราก็ดูรถม้าใช่ไหย ไปครั้งที่แล้วเนี่ยไอรถมาที่ราชเครกเนี่ยตัวม้ามนนิดเดียวเนี่ยมาหรือลาตัวนิดเดียวแล้วคนเนี่ยมันนั่งเป็นสิบๆแล้วมันก็ลากไปเนี่ยก็ลากไปชั้นใดก็ดีความชั่วที่บุคคลทำทางกายวาจาและใจเขาไม่รู้หรอกว่าเขาทำหนึ่งครั้งเท่ากับขอยินดีที่จะรับลากความทุกยินดีที่จะเข็นความทุกกรว่าขอลากความทุกความทุกก็ติดตามตัวเข้าไป เรียว่าเข็นครกขึ้นภูเขายังอย่างจะเบากว่าด้วยซ้ําไปนั้นความชั่วที่ติดตามไปเนี่ยนะมันมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความเร้าร้อนมีแต่ความเจ็บความปวดนั้นที่จริงที่พระพุทธเจ้าสอนกล่าวแบบนี้ก็บอกว่าถ้าท่านกลัวทุกข์ท่านก็อย่าทำชั่วนะจริงๆพระองค์อยากจะบอกอย่างนั้นแต่ทีนี้ว่าบางคนเนี่ยทำห้ามอย่างเดียวบอกแค่อย่านี่เขาไม่เข้าใจแต่เล่าให้ฟังว่าถ้าเธอทําความชั่วด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ความทุกข์เหล่านี้จะติดตามเธอไปเหมือนอะไรเห็นไหมเธอเหมือนกับล้อหลังที่หมุนไปตามล้อหน้าฉะนั้นนี่ก็เหมือนกันนะนะเหมือนกับล้อกเกวียนที่มันหมุนไปตามรอยเท้าโคเพั้นความทุกข์ที่เราทำเนี่ยนะอย่าคิดนะว่ามันจะลืมเรากรรมนี่เขาเรียกว่ามันเป็นนิยามะนะนิยามก็คือแปลว่ามันแน่นอนเช่นนิยามนี่มีกี่อย่างทวนอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่ง ธรรมนิยามกรรมนิยามพีชนิยามอุตุนิยามและจิตตนิยามอุตุนิยามเช่นฤดูนี้เป็นฤดูฝนเนี่ยนะโดยทั่วๆไปแล้วฝนจะตกเพราะเป็นอุตุนิยามเมื่อฝนตกแล้วอะไรจะงอกออกมานะพืชทั้งหลายก็จะงอกออกมาพืชเมล็ดพืชพันธุ์ที่เพาะงอกออกมาก็จะออกผลตามเช่นปลูกมะพร้าวก็ให้ผลเป็นมะพร้าวเป็นต้น อันนี้เป็นพีชันิยามเป็นความแน่นอนของพืชเป็นสายพันธุ์ของพืชและอีกอย่างหนึ่งก็คืออุตุ อ, อะไรนะีจิตตาณิยามจิตก็เป็นไปตามลำดับของจิตตามกระแสของวิถีจิตเป็นตน้นนั้นเรียกว่าจิตตาณิยามแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือธรรมนิยามเช่นสัตว์ที่เกิดมาแล้วจะไม่แก่ไม่ตายไม่มีในที่สุด อ, นนอันนี้เป็นธรรมนิยาม สุดท้ายนิยามอันหนึ่งก็คือกรรม น, นิยามไอ้ความแน่นอนคือกรรมเนี่ยนะความชั่วที่ทําไปมันสามารถที่จะติดตามไปได้สมัยพุทธกาลมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งเขามีอุบาสกคนหนึ่งมานั่งฟังธรรมทั้งคืนตื่นเช้ามาเนี่ยนะเดินกลับบ้านเขาลากเอาไปตัดออนนคอนะนะเรียกว่าเดินกลับบ้านไปเขาลากเอาไปตัดคอเหตุผลก็คือเขาบอกว่าไปปล้นมาแล้วทําเป็นเหมือนเดินออกมาจากวัดว่าบองั้น ก็เลยถูกไม่ไม่ได้สอบสวนเท่าไหร่สมัยก่อนนี่บางทีก็ไม่ได้สอบสวนเท่าไหร่ก็ลากไปตัดคอเลยตัดคอเสร็จพิกสุกก็มาสนทนากันว่าอุบาสกคนนี้เนี่ยตายอย่างไม่สมควรเลยนะมานั่งฟังธรรมทั้งคืนทําไมเนอจึงตายเนี่ยนะทำไมจะเข้าจึงเอาไปตัดหัวแม้ไม่ยุติธรรมเลยคล้ายๆแบบนี้พระองค์บอกว่าสมควรแล้วสมควรที่กรรมทําไว้ในอดีตเพราะในอดีตนี่ก็หาเล่ตเรื่องที่ไม่สมควรไปตัดคอคนอื่นไวเหมือนกัน มันก็สมควรแก่กรรมเก่าในอดีตมันถ้าใครศึกษากรรมและผลของกรรมเนี่ยนะจะรู้ว่าในโลกนี้นะมันยุติธรรมมันสมควรแก่เหตุทั้งนั้นทุกอย่างในโลกนี้สมควรแก่เหตุทุกอย่างเมื่อทุกอย่างสมควรแก่เหตุแล้วเราควรจะสร้างเหตุอย่างไรเพราะปัจจุบันผลนี้เกิดจากอดีตเหตุนั้นปัจจุบันเหตุคืออนาคตผลที่จะมีต่อไป ถ้าปัจจุบนันเหตุทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจแล้วอนาคตผลควรจะเป็นอะไรก็จะเป็นความทุกข์การที่แสดงกรรมแสดงผลของกรรมแสดงความทุกข์แสดงวิบากที่จะมีต่อไปในอนาคตอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงสังกิเลสะภาคียสูตรสูตรที่กล่าวถึงความเศร้าหมองนะเศร้าหมองทางกายวาจาและใจเรียกว่าทุจริตสังกิเล ส่วนคาถาอีกคาถาหนึ่งนะเป็นตันหาสังกิเลสว่าเมื่อใดบุคคลบริโภคอาหารมากกินมากอะไรก็ง่วงมากใชง่วงมากก็นอนมากเมื่อนอนมากก็นอนตื่นขึ้นมาก็กลิ้งซ้ายกลิ้งขวากลิ้งไปกลิ้งมาเหมือนสุกรใหญ่ที่เขาขุนด้วยอาหารเช่นนั้นนะนะเรียกว่าเหมือนหมูหมูเนื้อนะถูกเขาขุนด้วยอาหารก็นอนกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อนั้นบุคคลนั้นเป็นผู้เขเขาวัยนั้น ก็ถูกตันหาถูอวิชานี่ครอบงำนะตันหาก็นำนะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานอุปาทานก็นําไปสู่พบพบก็นําไปสู่คันมารดาเพราะฉะนั้นก็แค่วันนอนรอเพื่อไปสู่คันต่อไปมันกินมากง่วงมากนอนมากนอนกลิ้งเกลือกนอนไปนอนมาเหมือนหมูในคอก น, นะจริงก็คนที่อย่างบ้านมีลูกกรงเยอะๆเนี่ยนะกับหมูในคอกต่างกันตรงไหน ก็ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะถูกล็อกกรอนปิดประตูอย่างดีเลยนะเหมือนกันเป๊ะเลยนะกลิ้งไปกลิ้งมานอนนะว่ากนอนนอนรออะไรก็บอกนอนรอที่จะไปเกิดในท้องแม่ใหม่นะพอตายปั๊บกระจุติเกิดในคันต่อไปแต่ว่าคันไหนนะเพราะว่าไม่รู้ว่าไปเกิดในท้องประเภทไหนก็ว่ากันไปตามสมควรแก่กรรมเพราะทุกคนเนี่ยนะนอนรออะไรก็นอนรอความตายนอนรอตายเนี่ยทําไมก็นอนรอรอเกิดนั่นแหละ นอนเพื่อไปเกิดนอนรอว่าจะไปอยู่ในท้องไหนดีเนาะไปอยู่มดลูกไหนดีเนาะเนี่ยนะก็ไหลจากที่หนึ่งสู่ที่หนึ่งมันก็สาเหตุก็มาจากไหนก็กินมากก็ง่วงมากนอนมากนี่ก็ไม่อยากตื่นกลิ้งไปกลิ้งมาอย่นั้นแหละบอกว่าชีวิตของคนเหล่านี้ก็อยู่ด้วยความประมาท น, น, นะนะถูกทีนะมิถะครอบงําย่ายีแล้วก็ท่วมทับก็าบอกว่ากินมาก กินมากกินอย่างไรเบอกกินมากบอกว่าในพระไตวิโดกขายกตัวอย่างนะประเภทบอกว่ากินเสร็จเนี่ยสมัยก่อนเขานั่งกินกับพื้นใช่ไหมฉุดมือขึ้นทีเขาก็เรียกฉุดมือขึ้นทีนะนะก็พราบเรียกว่าฉุดมือขึ้นทีแต่มีชื่อเป็นภาษาบาลีของเขาเอีกกลุมหนึ่งก็บอกว่าโหต้องคลายผ้าเข้ามานะฮะนุ่งผ้าเข้ามาฉะทานใช่ไหมแล้วก็ต้องคลายให้มันยืดขยายออก ก็มีเขาเล่าว่าพระบางรูปเหมือนกันเขาต้องเอารัศมีสองอันเนี่ยเอาเข็มขัดสองเข็มขัดนี้มาต่อกันนะเนีเข็มขัดพระก็าเรียกรัศมีเอวเหมือนกันเอาเข็มขัดมาต่อกันนะแล้วก็พวกนึ้นก็เรียกว่ากินจนกินแล้วก็หลับตรงนั้นเลยอีกกลมหนึ่งเขาบอกว่ากินจนเคียเค้ยวๆไปแล้วก็อาหารนี่มันขาปากต้องกาวมาจิกออกเหมือนกันแต่อันนี้คนไทยยังไม่เคยเห็นแต่อินเดียคงจะมีอนะ เกินมากินกินเนี่ยก็พอกินก็ง่วงแปล ว, ว่าตื่นเป็นหลับขยับก็เป็นกินละกินเสร็จกินอิ่มแลก็หลับต่ออย่างเงีนะในที่สุด น, นะนะ<ม>ก็ถามว่ามีไหมบอกว่าประเทศไทยเนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ฝรั่งไม่มีแน่จนถึงขนาดว่าออกประตูไม่ได้เลยก็มีอยู่คนหนึ่งออกประตูไม่ได้จนต้องเอามาทุบประตูออกแล้วอะเดินก็ไม่ได้ต้องเอารถไอ้รถอะไรนะรถยกอะ่ะ รถรถโฟกเยคืออะไรนะ <Okay. S 1> โฟกเล็บนะเอารถยกเลยยกเอาไปส่งโรงพยาบาลอันนี้มีเนี่ยนะเมื่อไ ม, ไ, มไม่นานนียแต่เป็นฝรั่งคนไทยยังไม่เห็นอันนี้ก็กระว่าถามว่าเขาจะไปไหนหนอก็ไปสู่ชาติชาาแล้วมรณะจากคันไปสู่คันนะจากพบหนึ่งไปสู่พบหนึ่งก็ไล่ไปเรื่อยอ่ะทีนี้แก้ปัญหาอย่างไร ก็ต้องแก้ปัญหาด้วยโพเชเนมตัญยุตาชราคริยานุโยเจริญสติสัมปชัญญะเป็นต้นนั่นแหลวที่เป็นข้อปฏิบัติในสมถะและวิปัสนาจะได้พ้นไปจากการเกิดในคันเป็นต้นอีขถาทาหนึ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าสนิมเมื่อเกิดขึ้นก็เกิดจากเหล็กนั่นเองสนิมเมื่อเกิดขึ้นจากเหล็กนั้นแล้วก็ย่อมกัดกินเหล็กนั้นให้สึกกร่อนไปฉันใด กรรมชั่วที่เกิดจากตนที่ตนทำไว้ก็ย่อมนำบุคคลผู้ละเลยปัญญาที่พิจารณาปัจจัยสี่แล้วจึงเสพนะนะผู้ที่ล่วงเลยปัญญาในการพิจารณาอย่างนี้ก็นำไปสู่ทุกคติฉันนั้นสนิมเกิดจากเหล็กและทำลายเหล็กใช่ไหมตัวที่ทำลายเหล็กก็ไม่ใช่อะไรจากที่ไหนก็คือสนิมในตัวเหล็กนั่นแหละเป็นตัวประทุสร้ายเหล็กฉันใด คนที่ใช้ปัจใจสี่แล้วไม่ยอมพิจารณาก็พาบุคคล น, นั้นไปสู่ทุกคติฉันนั้นในสมัยพุทธกาลมีเรื่องหนึ่งพระพิสุรูปหนึ่งได้จีวรมาไม่ยอมพิจารณาจีวรแล้วก็นุ่งห่มติดใจผูกพันอยู่กับไอจีวรผืนนั้นแหละคิดว่าเช้านี้จะต้องห่มผ้าผืนนี้ไปบินทบาตตกคืนนั้นป่วยตายพอจุติมีผ้าเป็นอารมณ์ มีผ้าเป็นอารมณ์โดยไม่ปัจเจเวกไม่พิจารณาในที่สุดตายแล้วไปเกิดเป็นมแมลงอยู่ในผ้าเหล่านั้นท่านเราสังเกตดูว่าเวลาที่เราใช้ผ้าหรือเก็บผ้าไว้สักพักหนึ่งจะมีมะแมลงมาอยู่มแมลงเหล่านั้นมาจากไหนนะแมลงเหล่านั้นมาจากไหนก็มาจากกิเลสที่มีผ้าเป็นอารมณ์นั่นแหละความเศร้าหมองที่มีผ้าเป็นอารมณ์ก็เกิดอยู่แถวแถวผ้าอย่างที่เล่าว่าปีที่แล้วเนี่ยนะเอาผ้าไปตาก ผ้าขนหนูตากไว้แค่คืนเดียวเช้ามาได้ไข่แมลงมาเลยเนี่ยนะเป็นแมลงประหลาดที่เกิดมาก็เพิ่งเห็นนั่นแหละก็ผ้าคนหนูนะมันก็ติดเรียวผ้าเช็ดตัวเหล่านี้ก็เหมือนกันว่าสัตว์ทั้งหลายผู้ติดข้องในผ้าเราจะเวลาเก็บผ้าไว้เนี่ยถ้าไว้บางที่เนี่ยนะจะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไปเกาะไปอาศัยอยู่เหล่านี้มาจากไหนก็มาจากผู้ที่ใช้ผ้าแล้วไม่พิจารณาผ้า มีจิตใจหมกมุ่นครุ่นคิดอยู่กับแต่เรื่องของเสื้อผ้าในที่สุดมีผ้าเป็นอารมณ์ก็ไปเกิดอยู่ในผ้าเลยจะได้อยู่กับผ้านานา น, า น, า น, า น, านานกี่ชั่วโมงนี้เนาะเจ้าของเขามาใครคิดว่าเป็นเจ้าของก็ก็ไล่ตีหนีไปแล้วเนี่ยนะส่วนพวกที่ติดใจในอาหารก็ไลหลไปสู่ทุคติเหมือนกันติดใจในอาหารเขาบอกว่าบางคนเนี่ยเกิดมาแล้วเคี้ยวกินก็บอกกินซะให้พอก็เลยเกิดเป็นสัตว์ที่ต้องกินทั้งวัน มีสัตว์พวกกลุ่มหนึ่งกินกินทั้งวันพวกโคพวกกระเบือทั้งหลายด้วยนะเป็นต้นเนี่ยเขามีกลุ่มกินทั้งวันตกกลางคืนมาก็ขย่อนออกมาแล้วก็เคี้ยวกินอยู่อีกเกือบทั้งคืนหลับขึ้นมาตื่นขึ้นมาเคี้ยวกินต่อเนี่ยขย่อนมากินต่อกลางวันก็ไปกินหญ้ากลางคืนก็มาขย่อนออกคายออกแล้วก็กลืนเคี้ยวๆแล้วเกินเข้าไปใหม่มีความสุขอยู่กับการกินกินกินอยู่ทั้งวันทั้งคืน พวกนี้มุดอยู่กับอาหารแล้ก็อีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มพวกนอนเป็นต้นเนี่ยมุดอยู่กับอาหารเครียกว่าเช่นพวกแมลงบางสายหลายายยสพันธุ์พวกนอนล้าอย่างก็กินอยู่กับพวกอุจาระเป็นต้นนั่นแหละติดใจหมกมุ่นอยู่นั่นแหละมั้นผู้ที่ไม่พิจารณาอาหารในที่สุดก็ไหลไปสู่อบายทุกขติวินิบาตเหมือนกันหรือผู้ที่ติดบ้านติดช่องเลือเกินเนี่ยเกิดเป็นอะไรดีถ้ามีบ้านตัวเองเป็นอารมณ์เนี่ยนะ ไปไหนดีเนาะเกิดเป็นจิ้งจกหรือตุ๊กแกหรือว่าหนูหรือว่าตัวอะไรดีนะแถวบ้านน่ยนะเป็นอะไรเฝ้าบ้านดีก็คิดเอาก็แล้วกันว่าถ้ามีบ้านเป็นอารมณ์แล้วควรจะเกิดเป็นอะไรแต่ว่าเว้นไว้แต่ว่านึกถึงบ้านก็เคยให้ทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญกุศลก็ว่าไปอย่างแต่ท่านนึกเมื่อไหร่ก็หาบุญไม่เจอเลยเมื่อน네ึกหาบุญไม่เจอเนี่ยให้ระวังให้ดีแต่ว่าที่ตรงนั้นนี่ไม่ปลอดภัยที่สุด ที่ใดที่เรานึกถึงบุญไม่ได้นึกถึงคุณงามความดีไม่ได้นึกถึงกุศลไม่ได้ที่นั้นอันตรายที่สุดนึกถึงที่นั่นบ่อยๆน่าจะไม่ดีสักเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็เฝ้าบ้านตลอดไปเนี่ยนะเป็นอะไรถ้าอย่างดีหน่อยก็เป็นผีเฝ้าบ้าน้นล่างวันนั้นก็เป็นจิ้งจกตุกแกเป็นปลวกเฝ้าบ้านเป็นอะไรอยู่ในนนั้นแหละทีนี้ถามว่าเอาแล้วถ้าติดในพวกตรกลุ่มยาทั้งหลายยาก็คือกลุ่มน้ําผึ้งยาทั้งหลายก็ออกเป็นรสหวานพวกนี้เกิดเป็นอะไร เกิดเป็นมดเกิดเป็นผึ้งนะติดใจในความหวานเที่ยวแสวงหาแต่ของหวานอยู่นั่นแหละนั่นก็เป็นกลุ่มไหนก็ดูเอาเพราะพระองค์บอกว่าผู้ที่ความชั่วที่เกิดในตนล่วงเลยบุคคลที่พิจารณาไม่พิจารณาปัจจัยสี่ก็ไหลไปสู่ทุกคติพราะที่จะเกิดถ้าเป็นเดรชฌานเฝ้าปัจจัยสีนี่ก็ไม่แปลกอะไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการแสดงสังกิเลสะพากิยสูตรสูตรทีพ่พูดว่าด้วยความ เศร้ามองเศร้ามองอันนี้ก็เศร้ามองเพราะตันหาเป็นต้นนั่นแหละ